จึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นโค้่ของใจเฝือกขัดให้ใจมันนึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุน่นวายที่จิตมันแผร่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียว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 ความเป็นปกติของจิตในภายในหมายถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งปวงแล้วจิตเป็นจิตตวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ายใจใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลา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 อาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราเราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธเป็นต้นก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มๆ เ, เหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไป โยดพวกจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าวกลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวตาถ้าหากกาหนดจิตดูลมหายใจ หรือบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน <c oughs> พอนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วง <c oughs> เลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไป ห, หยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วง่งวงเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลย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 ถ้าหลับลงไปแล้วเจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างสรงกระแสออกไปข้างลอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตนนั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านหลอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิดแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่า หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดาท่า <c oughs> นฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะ <c oughs> เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันดีตเรียกว่านิมิตอ่าปัญหาต่อไปไอการ เ, เิดกจ็ตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยเรื่อย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 เช่นอย่างมาเกิดเป็นมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจิตติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอํานาจของกิเลสที่นี่ส่วนวิญญาณนี่วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจิตติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาท หรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ์วิญญาณในเบญจขันธ์นี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจากักปุบวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นได้ยกว่าโสตะวิญญาณกลิ่นกระทบตาโหม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 ไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้ในกึกรู้ิดเป็นวิชาการที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตตวิทยามา <c oughs> ทีนี้ในทางพุทธศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้ในโกรูก้ิดและ อในหลักอภิธรรมที่จําได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความตั่วสั่งสมกุศลอกุศลสั่งสมมิชาวความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั้นเรียกว่าจิตพระพิธรรมท่านว่ายอย่างนี้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 ก็สองจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทำสมาธิหรือไม่อันนี้น่าหน้าเด็ดทำความเข้าใจ <c oughs> การทำสมาธิคำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่ง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 ในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับ ก, กายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธิเน่ยกายเบาจิตเบาในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโรคไทยไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้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 ในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อตาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกคือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ร่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้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 โลอาสวัคกยายานโลอุบายทําจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สาหรับการที่จะไปนั่งดูโน่นดูนี่เช่นนัง่งดูปูยญ้าตายายเนื้ออะไรต่ออะไรนั่นมันมันก็ออกจากเฟอ้อไป่อยที่แ น, น่จริงๆก็เวลานี้รัฐบาลกําลังค้นหาบ่อน้ํามัน ถ้าองไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งซองดูบ่อ น, น้ำมันว่าว่ามันอยู่ที่ตรงไหนแลรัฐบานเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ย น, นะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจารบ้าก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักอ่า <c oughs> ปัญหาต่อไปขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันสะอาก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่แต่จิตไม่ได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่า การทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมาการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้ า, าว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับไม่ได้ยึดกับคําพูดหรือขับบรรยายที่พูดพูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้ รับรู้เฉยๆไม่ได้สําคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่ตัดว่ากําหนดรู้ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากําหน ด, ดจิตอยู่ในสมาธิกําหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้ า, าว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสัตว์แต่ว่า แต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่คิดในความคิด น, น, นั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วจิตไม่ได้คิดกับเสียงที่ที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วแค่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึง้งซึ้งอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจําได้อธิบายได้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 แต่เมื่อทำหนักๆเข้าแล้วพอกำหนดจิตพับลงไปนึกพุโตพุโตพุโตจิตต้องสงบเพื่ไปเลยไม่สามารถที่จะกำหนดวิตรวิจารตีติตสุกเอกัสตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชานาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเทวนาเมื่อก่อนนี้ทําไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักษนณะ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 จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉย้ากไม่รู้สึกตัวตัวไม่ยกไปปาตัวไม่ยกไปมานั่งดารงเป็นระยะนั่งตรงเป็นระยะหนึ่ง อันนี้ <c oughs> ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปพอจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคําว่าพุโทโธมันจะค่อยเรือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุโทโธเลยแล้วจิตก็จะไปนิ่งรู้อยู่เฉยๆในบางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วทีนี้มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เถลอสติไม่นึกพุทโธแล้วก็ไปกลับเลิกพุทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรืยด้วยอันอันนี้สังเกตได้ดีถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตมันไม่ว่าพุทโธมันไปอยู่เฉยเฉยนิ่งเฉยเฉยอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตาม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 แต่ว่ามันเฉยว่างอยู่ยงั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนี้นที่นี้ทำไปดลานเข้าติดมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง